พระสูตรพระวินัยพระปรมัีถ้าเปิดไว้แล้วก็จะรุ่งเรื่องนั้นคําภายหลังที่สมเด็จพระสัพพันธ์ยูเจ้าตรัสให้พระภิกษุกํบาบังไว้ซึ่งพระวินัยมิให้สําแดงซึ่งพระปาติโมกแกสัตว์บุรุษสีกานั้นก็จะผิดครั้นจะเชื่อคํานี้เล่าคําที่สมเด็จพระสัพพันธ์ยูเจ้าตรัสไว้เดิมก็จะผิดอยังปิปันโโหอันว่าปริศนานี้ อุพัตโตโกติโกมิเที่ยงยังเป็นสองไม่ต้องกันชื่อว่าอุพัตโตโกตินิมนท์พระผู้เป็นเจ้าโปรดให้แจ้งซึ่งความกังขาของโยมในการบัดนี้พระนาคเษนจึงมีเถระวาจาว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระโลกุตามาาจารย์มีพระพุทธดีกาโปรดประทานว่าธรรมวินโย อันว่าพระสูตรพระวินัยพระประมาทิถ้าเปิดออกไว้คือให้บอกกล่าวเล่าเรียนก็จะรุ่งเรืองผ่องใสปฏิจฉันโนแม้แหล่มากำบังไว้ไม่ได้เทศนาบอกกล่าวเล่าเรียนเล่าก็เศร้าหมองเสื่อมไปไม่รุ่งเรืองครั้นแล้วพระองค์ตรัสพระสัตธรรมเทศนาว่าให้พระพุทธบุตรกำบังวินัยปีดก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 แต่ในท่ํากลางวงกษัตริย์ด้วยกันนอกกว่านั้นไม่ควรจะสาแดงในสานักผู้ใดผู้หนึ่งกิริยานี้เป็นประเวณีในโลกมาแต่กษัตริย์ขัตติยาทิปดีทั้งหลายนั้นยะถามหาราชะดูกะระบ่พิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐจะเปรียบปานชั้นใดเปรียบปานดุจคนทั้งหลายอันเที่ยวอยู่ในแผ่นดินมันลาคือคนปล้ำ